ตอนที่หนึ่งรการปฏิบัติที่ต่างกันราฟ้ากับดินค่อดตัวล้างผ่านออกมาแล้วนางยังมีหน้ามาเรียกร้องอีกเหรอทําไมข้าต้องอยู่ดูแลนางที่โรงพยาบาลด้วยนิวซูเฟินด่าทออย่างไม่เต็มใจข้าไม่เอาด้วยหรอกข้ากับว่าจะกลับบ้านเดิมไปให้อาหารไก่กับเป็ดเสียหน่อยหากไม่มีคนดูแลพวกมันคงแย่แน่ท่านโจเจี้นเยเห็นว่านางไม่ยอมอยู่ช่วยไม่ว่าอย่างไรก็ตามเขาก็เริ่มมีโทสะขึ้นมาเช่นกันก็ได้หากท่านไม่เต็มใจอยู่ช่วยข้างั้นวันหลังท่านก็ไม่ต้องมาอีก ข้าจะไม่ให้ลูกเรียกทันวิญาด้วยถือว่าเราตัดขาดความสัมพันธ์กันไปเลยโจวเจี้ยนเย่ไม่เข้าใจจริงๆว่าทําไมแม่ของเขาถึงได้คลั่งคล้ายการอยากได้หลานชายนกนักหรือว่าหลานสาวไม่ใช่ลูกสาวของเขาหรืออย่างไรเขาทําผิดต่อหลีชิงผิงและลูกไปแล้วตอนนี้เขาจะทําผิดต่อเคอเคอและลูกไม่ได้เด็ดขาดก็ได้ถือว่าข้าติดค้างเจ้าจริงๆหนิวซูเฟินยอมตกลงอย่างเสียไม่ได้วันนี้เราออกจากโรงพยาบาลกันเลยนะอยู่โรงพยาบาลวันหนึ่งต้องเสียเงินตั้งเท่าไหร่ ทราบแล้วโจเจีเจ้ยเยี่ยตอบกลับอย่างรำคาญใจเขาเพิ่งจะไปคุยกับหมอเรื่องนี้หมอก็สวนกลับมาด้วยความไม่พอใจทันทีนี่เจ้าเป็นสามีประสาอะไรเมียเจ้าเสี่ยงชีวิตคลอดลูกให้เจ้าอยู่ข้ามในเจ้าไม่รู้จะเอาเงินมาช่วยชีวิตนางก็ช่างเธออย่างดีที่เมียเจ้าดวงแข็งท่าก้นออกก่อนก็ยังคลอดออกมาได้กรณีแบบนางเนี่ยส่วนใหญ่ไม่รอดชีวิตหรอกนะไม่รู้จักธนุถนอมให้ดีหมอที่เป็นคนนอกยังทนดูไม่ได้จึงแค่นเสียงเงยินชาออกมา นางต้องนอนโรงพยาบาลเพื่อเฝ้าดูอาการให้ดีอย่างน้อยพรุ่งนี้ถึงจะออกจากโรงพยาบาลได้คืนนี้ไม่ได้เด็ดขาดหากกลับไปแล้วเกิดอาการตกเลือดขึ้นมาเมียเจ้าได้ตายแน่ข้าไม่เข้าใจพวกสหายชายอย่างพวกเจ้าจริงๆในใจคิดอะไรอยู่ชีวิตคนสําคัญน้อยกว่าเงินหรืออย่างไรมีเงินไปจะมีประโยชน์อะไรโจเจี้ยนเย่ถูกตําหนิจนหน้าชาเขาไม่กล้าเ อ, อ่ยปากแม้แต่คําเดียวลิวเคอร์เคอถูกเข็นออกมาจากห้องรอคลอดแต่ไม่มีเตียงผู้ป่วยนางจึงทําได้เพียงนอนอยู่ตรงทางเดิน นางมองดูลูกสาวในอ้อมอกด้วยสายตาไร้ความรู้สึกความจริงคือนางรู้สึกเย็นชาโจเจี้เยี่ยไปแล้วเคริรเคริรเจ้าลำบากมากแล้วคืนนี้พักผ่อนให้ดีก่อนหากไม่มีปัญหาอะไรพรุ่งนี้เราค่อยออกจากโรงพยาบาลกันชื่อลูกจะคิดไว้หรื อ, อยังหากยังไม่ได้คิดค่ามีชื่อหนึ่งที่เหมาะสมนชื่อโจหยางเป็นอย่างไรอย่างที่แปลว่าดวงอาทิตย์ชื่อเล่นเราก็เรียกว่าหยางหยางโจเจี้เย่ยพูดไม่หยุดหลีวเคริรเคริรเหลือบมองเขาด้วยสายตาเรียบเฉยโจเจี้เย่ยจะคงคิดไม่ถึงสินะว่าข้าจะมีชีวิตรอดออกมาได้ เจ้าคงอยากให้ข้าตายไปข้างในนั้นเลยมากกว่าเจ้าพูดจะเหลวไหลอะไรกันสถานการณ์ที่บ้านเราเป็นอย่างไรเจ้าก็ใช่ว่าจะไม่รู้ข้ายอมหวังให้เจ้ากับลูกสาวปลอดภัยทั้งคู่ข้าไปขอยืมเงินที่บ้านเดิมของเจ้าแม่ของเจ้าก็เลยข้าออกมาทันทีโจวเจี้ยนเย่เริ่มมีอารมณ์รุนแรงหน้าอกของเขากระเพื่อมขึ้นลงอย่างหนักพ่อแม่ของเจ้าไม่ต้องการลูกสาวอย่างเจ้าแล้วข้าจะทําอย่างไรได้ปรับใดที่ข้าขอยืมเงินได้ข้าไม่มีทางทนเห็นเจ้าเจ็บปวดแบบนี้แน่หลิวเคอเคอ เป็นเช่นนั้นหรือคนทางบ้านเดิมไม่ต้องการนางแล้วหรือในใจของหลิวเคอเคอร์อรู้สึกขมขื่นอย่างบอกไม่ถูกโจจี้นเยียไม่อยากพูดจาทําร้ายจิตใจนางไปมากกว่านี้จึงถอนหายใจออกมาเคอร์เคอตอนนี้ลูกก็คลอดแล้วเราสองคนใช้ชีวิตด้วยกันให้ดีไม่ได้หรือเจ้าอย่า ก, กอ่อเรื่องเลยคืนนี้ข้าต้องกลับเข้าเขตทหารให้แม่ของข้าอยู่ดูแลเจ้าที่โรงพยาบาลนะบอกว่าดูแลแต่เสียงนอนหลับของหนิวซูเฟินดังกว่าใครเพื่อหลิวเคอเคอนอนไม่หลับเลยแม้แต่น้อย เวลาเด็กขับถ่ายหรือต้องการอะไรหนิวซูเฟินก็ปรนิบัติไม่เป็นเลยสักอย่างหลิวเคอเคอร์อเพิ่งคลอดลูกเสร็จก็ต้องลุกขึ้นมาดูแลเองนางคิดในใจว่าดูถ้าการอยู่ไฟครั้งนี้คงพังไม่เป็นท่าเสียแล้วเมื่อหันไปมองทางหลีชิงผิงพอนางคลอดเสร็จในช่วงค่าก็ถูกย้ายไปยัห้องพักผู้ป่วยทันทีแถมยังเป็นห้องผู้ป่วยเดียวอีกด้วยเจิ้งอวิ๋นโฉงกับเจ้าชุนฮวาถือกล่องข้าวเดินผ่านเตียงของนางไปหลิวเคอเคอได้กลิ่นหอมของอาหารจนน้ำลายซด้วยความอยาก แม้แต่ท่านผู้เท่าเจิ้งก็ยังมาเยี่ยมยังมีพวกเศร้าเหงที่บ้านมากันครบหลังจากทานมื้อขําเสร็จพวกเขาก็กลับไปโดยมีเจิ้งอวินฉงกับเจ้าชุนฮาวายอยู่ดูแลที่นี่ต่อหลิวเคอเคอมองดูลูกสาวที่หลับปุ๋ยนางช่างอาภัพนักที่ตาทั่วหาผู้ชายไม่ดีมาเป็นสา ม, มีวันหน้าจะไม่มีวันยอมให้ลูกสาวต้องเดินซ้ำรอยเดิมเด็ดขาดความคิดของหลิวเคอเคอร์อตอนอยู่ในห้องรอคลอดคือต้องการหย่าแต่ภายหลังนางล้มเลิกความคิดนั้นเพราะได้ยินโจเจี้ยนเยี่ยบอกว่าที่บ้านเดิมของนางไม่ยอมให้ยืเงิน เดิมทีนางยังคิดว่าจะพาลูกกลับไปอยู่บ้านเดิมได้แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าบ้านเดิมจะกลับไปไม่ได้แล้วสู้ใช้ชีวิตอยู่กับโจเจียนเยียต่อไปยังดีเสียกว่าช่วงเวลาที่ผู้หญิงอ่อนแอที่สุดในชีวิตก็น่าจะเป็นตอนคลอดลูกและอยู่ไฟนี่แหละขอเพียงผ่านพ้นไปได้นางก็ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาใครอีวันต่อมาลวันนำอาหารมาส่ง เป้าหมายหลักคือส่งน้ำแกงให้หลีชิงผิงส่วนเจิ้งอวินชงและคนอื่นๆทานอาหารที่โรงอาหารของโรงพยาบาลความจริงรสชาติอาหารของโรงอาหารโรงพยาบาลนั้นจืดชืดเหมาะสําหรับสตรีหลังข้อทานแต่เจ้าชุนฮวารู้สึกรังเกียจว่ามันไม่มีสารอาหารสู้ซุปไก่ตุนเองที่บ้านไม่ได้วันนี้ยังเป็นซุปไก่อีกหรือหลีชิงผิงดื่มซุปไก่ติดต่อกันมาหลายมื้อจนเริ่มรู้สึกเลี่ยนใช่ไก่ที่บ้านมีอีกตั้งหลายตัว เจ้าต้องทานวัน ล, ละตัวร่างกายหลังคลอดลูกนั้นสุโสมต้องบำรุงให้ดีแบบนี้แหละเจ้าชุนฮาวาเอ๋ยยิ้มยิ้มห้าไม่ดื่มเด็ดขาดนมผงที่ท่านซื้อมาคงไม่ได้ใช้แล้วล่ะข้าดื่มน้ําแกงพวกนี้ทุกวันไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีน้นํานมเลยที่ให้เจ้าทานของพวกนี้ไม่ใช่เพื่อให้เจ้าเอาไปเลี้ยงลูกแต่เพื่อให้เจ้าฟื้นฟูร่างกายให้เร็วต่างหากเจ้าชุนฮาวาเอ๋ยอย่างจริงจัง แล้วก็ในช่วงอยู่ไฟห้ามเจ้านั่งนานๆหรื อ, อยืนนานๆเด็ดขาดวันหนึ่งลงมาขยับตัวได้แค่ครู่เดียวเท่านั้นข้าจะบอกให้นาตอนเจ้าท้องอวัยวะพายในมันเคลื่อนที่ไปหมดพอคลอดลูกออกมามันก็เหมือนหลุดลงมาทันทีต้องนอนพักให้ดีๆมันถึงจะค่อยๆกลับเข้าที่ท่านแม่ข้าทราบแล้วว่าท่านหมายถึงอะไรนี่ไม่ใช่ท้องแรกของข้าเสียหน่อยหากร่างกายจะมีโรคจากการอยู่ไฟในพายหลังมันก็คงมีปัญหาไปตั้งนานแล้วตอนนี้บำรุงไปก็ใช่ว่าจะกู้กลับมาได้ทั้งหมดโรคจากการอยู่ไฟในท้องแรก ตอนนี้บำรุงกลับมาก็ถือว่าพอดีเลยลีชิงผิงนั้นเข้มแข็งเกินไปเจ้าชุนฮวาจึงต้องจับตาดูให้เข้ ม, มวดกว่าเดิมท่านแม่ท่านฟังท่านย่าเถอะท่านย่าดูแลคนมามากมาย่อมมีประสบการณ์ท่านทำเพื่อหวังดีต่อท่านนะหลีหวันบีบมือน้อยๆของน้องชายช่างลุ่มนิ่มเหลือเกินน่ารักจริงๆวันหน้ามีลูกสมุนเพิ่มมาอีกคนแล้วเจิ้งอวินชงตั้งชื่อให้ลูกชายตั้งแต่เมื่อคืนแล้วว่าเจิ้งเส้าเหริน หวังว่าเด็กคนนี้จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ที่มีความสามารถในอนาคตตอนอยู่ในท้องเขาก็ว่า ง, ง่ายพอคลอดออกมาก็ยังเป็นเช่นเดิมตั้งแต่เมื่อวานจนถึงตอนนี้นอกจากกินก็นอนหากไม่สบายตัวก็จะส่งเสียงครางอืออะเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเด็กแบบนี้เลี้ยงง่ายที่สุดเจ้งเางอวิงช็อตนอนมาทั้งคืนเขาจึงกลับบ้านไปงีบปรับเสียนหน่อยพอถึงช่วงค่ำค่อยมาที่โรงพยาบาลเพื่อเปลี่ยนเวงกับเจ้าชุนฮวัวลีชิงผิงยิ้มออกมาตกลง ตอนนี้เจ้าไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้นรักษาตัวให้ดีคือเรื่องสำคัญที่สุดเจ้าชุนฮาวาช่วยห่มผ้าปิดแขนให้นางอย่าให้โดนลมไม่อย่างนั้นวันหน้าจะปวดกระดูกเอาได้ท่านแม่ข้าร้อนร้อนก็ต้องทนของเย็นทุกอย่างห้ามกินเด็ดขาดน้ำก็ต้องดื่มแต่น้ำร้อนอื่มได้แล้วก็ห้ามอุ้มเสี่ยวอู่นะถึงตอนนี้เขาจะยังไม่หนักมากแต่นั่นก็เป็นภาระสำหรับเจ้าวันหน้าจะปวดแขนเอาได้ง่ายๆทราบแล้ว